พร้อมนิยามหายใจรู้สึกตัวสึกตัวความรู้สึกตัวเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติในขั้นเจริญปัญญาเนะเราขาดความรู้สึกตัวแล้วปฏิบัติไม่ได้คนในโลกใจลอยไม่รู้สึกตัวคน หลายล้านกี่ล้านกี่ล้านนะาคนรู้สึกตัวนะหายากมากมีแต่พวกเราชาวพุทธนะพุทธะมาฝึกเจตฝึกใจของเราให้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพแพ้พัดลมนะก็ถูกพัดลมเป่นะเสียงหายไปเลยอย่าให้มันหมุดได้ไหมให้ไปที่ไหนก็ทิ้ง สังขารไม่อำนวยใครจีดออกนอกบ้างสารภาพมาแม่อาไหนเลยมีอะไรนิดหนึ่งนะก็ดึงดูดเราได้อย่าว่าแต่เรื่องตื่นเต้นหรือเรื่องสวยเรื่องงามนะเรื่องเปิดพัดลมเ่าเนี้ยังดึงดูดเราได้เลยโอกาสที่เราจะตายแล้วไปเกิดอีกเนี่ยสูงมากนะ ถ้ใจมันถูกอารมณ์ดูดไปใจมีหิวหิวอารมณมร์มันอยากรู้อยากรู้อารมณ์พอรู้อารมณ์ได้แล้วก็อยากเสพอารมณ์นี่ธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกเจริญสติเจริญปัญญาให้มากพอแถมที่หิวไปววเรื่อยๆคราวหนึ่งมีอ่านประวัติหลวงปู่มั่นน่ะที่หลวงตามหาบัวท่านเขียนหลวงปู่มั่นแไปคุราต คนทางคราส์ถามท่านมาหาอะไรที่นี่ทราหาเรื่องท่านนะท่านมาหาอะไรท่านบอกท่านไม่ได้มาทำอะไรท่านไม่หิวท่านไม่หิวแล้วท่านไม่ต้องเที่ยวแสวงหาอะไรอีกแล้วเนี่ยใจพวกเราไม่หิวหิวอะไรหิวอารมณ์อยากได้อารมณ์กได้อารมณ์ที่ถูกใจเราก็เพลิดเพลินพอใจได้อารมณ์ไม่ถูกใจเราก็ปฏิเสธ ในใจมันชอบในอารมอย่างนี้ปฏิเสธในอารมณอย่างนี้ใจมันจะกระโดดเข้าไปจับไปจับอารมณ์นะอย่างของที่เราชอบนะเราก็จะเข้าไปจับเพื่อดึงเอาไว้ของที่เราเกลียดมันก็ต้อไปจับเพื่อจะผลักออกไปเนี่ยอย่างสมัยหลวงพ่อไม่ชอบใหม้จะผลักใหม่ต้องไปจับมันก่อนใช่ไหมไม่จับมันก็ผลักไม่ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะชอบหรือจะเกลียดเนี่ยใจก็เข้าไปยึดตรงนั้นเลย ตอบเมื่อไรใจมีปัญญาอย่างแท้จริงเห็นความจริงเลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมันหาสาระแก่นสารไม่ได้เริ่มแต่อารมณ์ต่างๆนะหาสาระแก่นสารไม่ได้ต่อมามันประนีตขึ้นมาอย่าว่าแต่อารมณ์ภายนอกเลยแค่รูปนามกายใจของเราเองยังหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยยิ่งตรงที่สามารถปล่อยวางได้จริงๆเนี่ยต้องทวนเข้ามาจนเห็นความจริงของรูปนามกายใจอ่ะ เราหนีการเรียนรู้รูปนามกาใจตัวเองไม่ได้นะนีคนทั่วไปเนี่ยมันมีรูปมันก็ลืมรูปมันมีนามมันก็ลืมนามมีกายลืมกายมีใจลืมใจคนในโลกมีทั้งหลายพันล้านนะคนที่รู้สึกตัวจริงๆมีไม่มากหรอกสมัยก่อนหายากกว่านี้นะมายุคสามสิบปีหลังมานี้ยที่หลวงพ่อสอนสอนสอนมาเนี่ยคนที่รู้สึกตัวได้ น, ะนับจํานวนไม่ท้วนขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลย เมื่อก่อนธรรมะมันเจริญรุ่งเรืองอยู่ช่วงแล้วมันก็เสื่อมลงไปอย่างครูบาอาจารย์สมัยที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยเนี่ยท่านจะสอนบอกให้พวกเรามีจิตเป็นผู้รู้นะท่านจะสอนพุทโธพุทโธแปลว่าอะไรเนี่ยท่านอธิบายชัดเจนพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรานั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยถ้าเราเข้ามาถึงจิตถึงใจนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เราก็มีโอกาสที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปนี่ต่อมาธรรมะมันกล่อนลงไปคำว่าพุโทโธมันใเป็นพุโทโธเฉยๆพุโทโธนกแก้วพุโทโธนกขุนทองท่องพุโทโธพุธโทโธไปเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมันนิ่งวัตถุประสงค์ของการพุโทโธมันแตกต่างกว่าสมัยตั้งเดิม สมัยดั้งเดิมท่านพุโทโธเพื่อให้รู้ทันจิตตัวเองมาสมัยหลังๆเป็นพุโทโธเพื่อให้จิตสงบเฉยๆเนี่ยคุณภาพมันมันลดลงไปสมัยสามสิบปีก่อนนะเข้าไปที่ไหนที่ไหนเจอครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแต่ว่าให้รู้สึกตัวไว้พุโทโธก็รู้สึกตัวพุโทโธรู้สึกตัวพระองค์สอนละเอียด น, นะพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจพุโทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า พุโทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเอง เ, อนเนี่ยเบื้องต้นมันต้องหาใจตัวเองให้ได้ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใใจมันร่อนเร่ไปแค่เห็นก็เปิดผน่มใจก็ร่อนเร่ไปดูแอยากดูอยากดูมีเสียงอะไรมามกระทบหูก็อยากฟังมีเรื่องราวทางใจผุดขึ้นมานะก็อยากรู้เรื่องอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งไปเรื่อยมีใจก็ลืมใจของตัวเองไปเราลืมของดีของวิเศษ ของที่สําคัญที่สุดนะของวิเศษประจําตัวของเราทุกคนมีอยู่แล้วคือใจของเรานี่เองครูบ า, าลลอาจารย์เรียกใจดวงนี้ว่าใจดวงวิเศษนะใช้คาถึงขนาด น, นี้นะว่าใจนี่คือเป็นของวิเศษประจําตัวเราเนี้นเราอย่าให้มันหลงลืมให้มันหายไปนะนะรักษามันไวเอาอะไรไปรักษาใจของเราไว้ล่ะเราจงใจรักษาได้ไหมจงใจรักษาไม่ได้ มันมีธรรมะอยู่ตัวหนึ่งสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ทําหน้าที่รักษาใจก็คือสติสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาใจสติทําหน้าที่อารักขาเในตําลานะพูดไว้ชัดเลยสติทําหน้าที่อารักขาคุ้มครองรักษาใจของเราถ้าเราขาดสติแล้วใจมันก็หนีไปแล้วถูกกิเลสครอบงาไปถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยสติจะเป็นเครื่องรักษาใจเราสติรักษาใจยังไงเวลาที่สติเกิด จิตในขณะนั้นถ้าเป็นอกุศลอยู่นะพอสติเกิดปุ๊บอกุศลจะดับทันทีเลยอกุศลใหม่ก็เกิดในขณะนั้นไม่ได้อกุศลที่กําลังมีอยู่ก็ดับไปกุศลก็เกิดขึ้นทันทีที่ทันทีที่เกิดสตินะจิตเป็นกุศลทันทีเลยแล้ถ้าสติเกิดบ่อยๆนะกุศลมันก็พัฒนาคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นนะแต่คะแนงของอกุศลแปลนิษฐลึกซึ้งขึ้นไปมีศีลมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นจนถึงวิมุติ เนีความแก่กล้าของมันเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดสติเนี่ยอกุศลที่มีอยู่ก็ละไปแล้วอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดทันทีที่มีสตินักกุศลที่ยังไม่เกิดเขาได้เกิดขึ้นแล้วที่เกิดแล้วเขาจะงอกงามไพ่บูรขึ้นไปสตินี้แหละเป็นเครื่องคุ้มครองสตินี่แหละเป็นเครื่องรักษาจิตเพรนะั้นพวกเราจะทิ้งเรื่องการเจริญสติไม่ได้ไนะม่งั้นใจเราจะร่อนเล่จะหนีไปหลงไปตามอารมณ์ มีอะไรผลักดันให้หลงอารมณ์มีความอยากตัณหาเป็นตัวผลักดันให้หลงอารมณ์หลงนั้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายหลงในเรื่องราวทางใจที่ธรรมารมณ์นี่เราต้องมาฝึกสติของเรานะเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานนี่เป็นบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เบื้องต้นเพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายเพื่อให้เกิดปัญญา มีสติอย่างเดียวนะก็ดีแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ดีเลิศมีสติแล้วก็ต้องพัฒนากุศลต่างๆขึ้นไปจนถึงกุศลชั้นสูงคือตัวปัญญาบุญกุศลทั้งหลายนะพราะเราต้องจําหลักนะบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยบุญใดที่ประกอบด้วยสติปัญญาบุญนั้นเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยถ้าบุญใดไม่มีปัญญาประกอบเนี่ยเป็นบุญเล็กถ้ามีปัญญาประกอบเนี่ยเป็นบุญใหญ่ ท่านสอนละเอียดมากในเรื่องของปัญญาความสำคัญของปัญญาท่านบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาจะบรรลุมรรคผลได้ก็ด้วยปัญญานี่แหละแต่อยู่ๆปัญญาไม่เกิดหรอกต้องมาเจริญสตินะพัฒนาสติขึ้นมาก่อนในสติปัฏ ฐ, ฐานนี่เบื้องต้นท่านสอนให้เกิดสติเบื้องปลายสอนให้เกิดปัญญาในบทเรียนเรื่องสติปัฏ ฐ, ฐานางั้นเรามาฝึกสติก่อนในเบื้องต้นสติ คือธรรมชาตนะิที่รู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นตัวสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันสภาวะทั้งหลายสติเหมือนยามมีคนดีเดินผ่านมาในบ้านเราสติก็รู้มีคนร้ายผ่านเข้ามาในบ้านเราสติก็รู้มีอะไรแปกลปลอมเข้ามาสติเป็นตัวรู้เอารู้แล้วมันก็จะรายงานเข้ามาที่จิตจิตนี้ก็จะอาศัยปัญญาเป็นตัวตัดสินรู้ผิดรู้ชอบชั่วดีต่าง สติเกิดจากอะไรอยู่อยู่สติไม่เกิดสตินั้นเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่เกิดหรอกเราต้องทําเหตุของสติสติถึงจะเกิดตรงนี้เป็นหลักที่พวกเราชาวพุทธก็ต้องแม่นเราไม่สามารถทําอะไรได้จริงอย่างบางคนบอกอยากทําให้มรรคผลนิพพานเกิดมรรคผลเกิดไม่ได้เราสั่งไม่ได้มรรคผลเกิดเองนิพพานเรนไม่เกิดไม่มีใครทําอะไรนิพพานได้เลยนิพพานไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ทําให้เกิดได้ อะ่รที่ที่เกิดได้ดับได้คือคือตัวมรรคตัวผลแต่ไม่มีใครทํามรรคผลให้เกิดได้ผู้เท่าเจ้าฟันธงอย่างนี้นะทมรรคผลให้เกิดไม่ได้มันเกิดของมันเองแต่อยู่ๆมันไม่เกิดมันต้องมีเหตุของมันนะถ้าศีลสมาธิปัญญาเราแก่รอบมรรคผลก็เกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดจากเราสั่งแต่ทั้งสตินนี้ก็เหมือนกันสติเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้สติเกิดได้เพราะมีเหตุของสติ มืนอย่าไฟจะไหม้นียอยู่ๆเรานั่งนึกๆเอาให้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไม่ไหม้หรอกมันต้องมีเหตุเหตุของไฟมีอะไรบ้างมันมีเชื้อเพลิงมันมีออกซิเจนมันมีอุณหภูมิที่สูงมากพอถ้าเหตุของมันไม่ครบไฟมันก็ไม่มีหรือไฟที่มีอยู่ถ้ามันหมดเหตุไฟมันก็ดับอย่างไฟไหม้บ้านไหม้จนหมดหลังนะยังไงไฟก็ดับมันไม่มีเชื้อหรืออย่างเวลาเห็นไฟไหม้รถยนต์เขาเอาโฟมไปฉีด ฉีดไปเพื่ออะไรกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปตรงจุดที่ไฟไหมเราไม่มีออกซิเจนไฟก็ดับหรือไฟไหมบ้านคนเงี้ยตำรวจดับเพลิงเอาน้ําไปฉีดฉีดเพื่ออะไรฉีดเพื่อลดอุณหภูมิลงอุณหภูมิไม่สูงพอไฟก็ดับเนี่ยกระทั่งการดับไฟนะก็ดับที่เหตุไฟเกิดก็เกิดจากเหตุดับก็ดับที่เหตุสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตกอยู่ใต้กฎข้อนี้ทั้งสิ้นเลย สิ่งใดเกิดจากเหตุนะพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่คือหัวใจในการทํากรรมฐานนั่นหนึ่งเลยตัวสําคัญในการทํากรรมฐานนั่นหนึ่งเลยพระอาษิชิสอนพระสารีบุตรสอนอุปติสัว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้และอุปติสัฟังแล้วได้โสดา ออกมาบวชเป็นภาษาที่บุตรดะงนั้นตรงที่สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเนี้เราต้องรู้หลักอันนี้เราสั่งให้เกิดไม่ได้สตินี้เราสั่งให้เกิดไม่ได้เราต้องทําเหตุของสติอะไรเป็นเหตุใกล้ของสติเมื่ออะไรจิตจําสภาวะได้แม่นนะแล้วสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองสติเป็นตัวรู้ทันนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเคยรู้บ่อยๆมันจะรู้ไวถ้ามันไม่เคยรู้มันจะไม่รู้หรอก ธรรมชาติของจิตไหลไปตามความเคยชินอย่างจิตของพวกเราไหลตามความเคยชินคือหลงเก่งมันเคยชินที่จะหลงมาแต่ไหนแต่ไหนไม่งั้นมันไม่มาเกิดหรอกมันเกิดได้เพราะมันหลงมันเคยชินที่จะหลงเพราะงั้นมันหลงอุตรุดเลยมันไม่เคยชินที่จะมีสติหรอกต้องมาฝึกนะอยู่ๆจะอ้อนวอนให้สติเกิดนั้นไม่เกิดต้องฝึกให้สติเกิดวิธีที่จะให้สติเกิดก็คือต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆ เมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดสภาวะอะไรที่พวกเราควรจะหัดรู้สภาวะเหล่านี้พระพุทธเจ้าจำแนกแจกแจงไว้ให้พวกเราแล้วไม่ต้องไปหาหเองเราไปอ่านในสติปัฏฐานสูตรนะในสติปัฏฐานสูตรท่านจะสอนอารมณ์ที่จิตควรจะไปรู้เข้ามีสี่หมวดใหญ่ๆคือกายเวทนาจิตธรรมกายและเวทนากลุ่มหนึ่งจิตและธรรมกลุ่มหนึ่ง กายเวทนาคืออะไรนะเวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทั้งหลายนะจิตก็คือจิตที่ปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายธรรมก็คือสภาวะรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเรียนะสิ่งที่เราจะรู้นะคือกายเวทนาจิตธรรมสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราถนัดอันใดให้เรารู้อันนั้นเวลาฝึกเริ่มต้นฝึกอันเดียวไม่ต้องฝึกทั้งสีอันไม่มีใครฝึก4ี่อย่าง แต่ละคนเนี่ฝึกอย่างเดียวก็พอแล้วเหมือนเราเข้าบ้านเราบ้านเราอยู่กลางถนนเลยนะมีประตูล้อมรอบมีรั้วล้อมรอบมีประตูสีทิศเนี่ยเราจะเดินเข้าบ้านเราเนี่ยเข้าประตูใดประตูเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเข้าสี่ประตูบ้องมากเลยนะถ้าบ้านเรามีประตูสี่ทิศเนี่ยเราวิ่งเข้าประตูทางทิศเหนือแล้วก็วิ่งออกมาะวิ่งไปตะวันออกแล้วออกมาวิ่งเข้าทิศใต้แล้วออกมาอะไรเงี้ยบ้านนั่นแหละเราได้เข้าประตูเดียว ประตูไหนล่ะที่ควรจะเข้าประตูไหนถนัดเอาประตูนั้นแหละมันมีสี่ประตูคือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยท่านสอนให้จำแนกจำแนกโดยดูตัวเราเองว่าเราเหมาะกับประตูไหนคนที่มีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะที่จะดูนะคือกายหรือเวทนาหรือนะไม่ใช่แลกกายหรือเวทนาพวกคิดมากจเจ้าความคิดจเจ้าความเห็น มีความคิดมีความเห็นตลอดเวลากรรมฐานที่เหมาะที่จะฝึกเจริญสติเจริญปัญญานะีคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนามีสออย่างรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายหรือเวทนานะถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นดูจิตหรือธรรมนะใช้คําว่าหรือนะนี่ทําไมต้องมีอย่างละ2 อ, อย่างละสองเนี่ยมันมีอย่างพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ย ดูกายหรือเวทนามีสองอย่างท่านจำแนกไว้อีกกายดูง่ายพวกที่ปัญญายัางอ่อนๆนะดูกายถ้าปัญญาแก่กล้าแล้วดูเวทนาได้เวทนาดูยากกว่ากายมัละเอียดกว่ากายร่างกายดูง่ายไหมร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยดูง่ายใช่ไหมมีความสุขเกิดขึ้นตรงนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้อะไรอย่างี้ดูยากกว่างั้น ในสองงานเนี่ยมันมีง่ายกับยากพวกไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะถ้าปัญญายัางไม่แก่กล้าดูกายถ้าปัญญาแก่กล้าแล้วมันจะรู้สึกกายนี้จืดชืดมันน้อยไปไม่สมภูมินะไม่สมภูมิก็ต้องไปดูเวทนาส่วนพวกที่ชอบคิดมากคิดมากยากนานพวกนี้ฟุ้งซ่านวันๆนะมีแต่วิตกวิจารณ์วิจัยวิเคราะห์วิภาค เจออะไรกขวิจาร์ตลอดเลยนะเดีย๋ยวก็กดไลค์เดี๋ยวก็กดแชร์ชอบมากเลยวิจาร์วิจาร์แบบง่ายกกดไลค์กกดแชร์อะไรเนี่ย mm hmm. พวกที่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมีสองอันดูจิตกะระทำจิตเนี่ยของพวกคนซึ่งปัญญายัางไม่แก่กล้าธรรมานุปัสสนาเนี่ยของพวกที่อินทรีย์ปัญญยินทรีย์แก่กล้านะพวกบา ร, รมีสูงอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยตรัสรู้นะ เจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนมักง่ายบอกว่าท่านตรัสรู้เพราะทําอาณาปณสติที่จริงไม่ใช่ท่านตรัสรู้เพราะเจริญธรรมานุ ป, ปัสนาสติปัฐานในบับสุดท้ายเลยนะคืออริยสัจนะเพราะบารมีท่านสูงมากกว่าคนอื่นเลยท่านเจาะเข้าอริยสัจเลยแต่ทําไมท่านทําอาณาปณสติก่อนะท่านทําเพื่อให้จิตมีพลังเท่านั้นเองะถ้าทําแต่อาณาปณสติแล้วไม่ไปเจริญปัญญา นะไม่ไปดูกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมันให้เห็นไตรลักษนณะ์นั่นก็ไม่มีทางหรอกไม่มบรรลุหรอกนะนี่พวกเราบารมีเราแก่กล้าขนาดไหนเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าไม่แก่กล้าควรจะสันนิษฐานแบบเจียมเนื้อเจียมตัวไว้ก่อนถ้าสันนิษฐานว่าชั้นแก่กล้ามากแล้วต้องทบทวนนะแก่กล้ามากแล้วมันจะเหลือมาถึงวันนี้เหรอคนะวรจะบรรลุมากผลไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว ทำไมตกหล่นมาอยู่ตรงนี้สมัยพุทธกาลอาจจะเป็นลูกศิษย์เทวทัตบ้างลูกศิษย์เดลทีบ้างอยู่นะหรือเป็นหมาเป็นแมวเป็นวัวถ้าเกิดอินเดียให้เกิดเป็นวัวนะถ้าจะต้องเป็นสัตว์นะะอย่างดีเขายังนับถือบ้างนะกิดเป็นตัวอื่นลําบากตัวที่ลําบากที่สุดเป็นอะไรรู้ไหมเป็นคนลาบากมากเลยงั้นทางที่ดีที่สุดนะอยากเกิดอีกว่าดีที่สุดเลยไปเห็นอินเดียแล้วจะรู้สึกเลยว่า เกิดทีไรเป็นทุกทุกทีแล้วเกิดเป็นตัวอะไรก็ทุกหมดเลยแต่มันเหมาะนะที่ท่านจะตรัสรู้ในสภาวะที่ลำบากนี่ยเรามาดูตัวเองนะเราสันนิษฐานตัวเองก่อนว่าบารมียังไม่แกะกะงั้นคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิตเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็เป็นอกุศลพวกเราแยกตัวเองออกไหม ใครที่เด่นทางรักสุขรักสบายรักสวยรักงามยกมือซิยกซิพวกรักสวยรักงามมีไหมใครเจ้าความคิดเจ้าความเห็นใครเป็นสองอย่างยกสองมือเยอะเอยยุคเราเนี้นะรักสวยรักงามด้วยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นด้วยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี้ยเป็นพื้นเลยคนรุ่นเราเนี้ยเจ้าความคิดเจ้าความเห็น นี่บางคนพิเศษที่มารักสวยลักงามบางคนไม่ค่อยรักสวยรักงามอยากมีแฟนสวยๆนะแต่ตัวเองกโลกลโกสูนะไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่บางคนใช้เวลาหน้ากระจกนี่นานใครใช้เวลาหน้ากระจกนานๆบ้างย้งมือซิมีไหมนี่เป็นเครื่องชี้วัดตัวหนึ่งนะถ้าวันๆหนึ่งจ้องกระจกเรื่อยนะเดี๋ยวก็เวียนมาดูกระจกเดี๋ยวก็เวียนมาดูกระจกนะแต่งโน้นนิดแต่งนี้หน่อยพวกเนี้ย พวกตันหาจริตนะพวกตันหาจริตพวกนี้ดู ก, กายไว้วิธีดูกายทำยังไงนะถ้าดูกายอย่างแท้จริงเนี่ยดูยากนะดูกายเบื้องต้นเนี่ยดูไม่ยากนะแต่ถ้าจะดูกายจนถึงขั้นมิปัสสนานี่ค่อนข้างจะยากจะต้องใช้สมาธิสูงถ้าดูกายในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดสติเนะี่ยยังไม่ยากเท่าไหร่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวทนะำอย่างนี้ก็ได้ พอทำได้ไหมหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าหายใจออกแล้วยังไม่รู้สึกตัวช่วยเตือนมันหน่อยก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยคอยบอกมันไปให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆหรือบางทีถ้าก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันลืมพูดโทรก็คือไม่รู้สึกตัวเนี่ยหายใจไปรู้สึกตัวไปยืนเดินนั่งนอนไปรู้สึกตัวไปอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมนั่งอยู่ เดี๋ยพยักหน้ารู้สึกไหมเดี๋ยวเวลาเราพยักหน้าแล้วเรารู้สึกนี่นะมันก้าวข้ามไปเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพานะไม่ใช่อิริยาบถแล้วถ้าอีริยาบถเนี่ยแค่ดูหยับหยบัยืนเดินนั่งนอนหรือรู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าแค่สองอย่างเองถ้ารู้อีริยาบถต้องมี4อย่างยืนเดินนั่งนอนดูละเอียดเข้าไปนะก็เป็นสัมปชัญญะบัพพาสัมปชัญญะบัพพาคือเคลื่อนไหวก็รู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะหยุดนิ่งก็รู้สึก เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าขยับอย่างนี้เรารู้สึกเนี่ยนะมันอยู่ในสัมปชัญญะบับพเ ะ, ะก็อยู่ในหมวดกายเหมือนกันเนี่ยหมวดกายเราดูพวกนี้แหละนะง่ายๆห้ยใจออกรู้สึกตัวให้ยใจเข้ารู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักไม่ใช่เอาความสงบเป็นหลักนะเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมอย่านั่งใจลอยนั่งเรารู้สึกตัว ขณะนี้ใายหน้าเนี่ยรู้สึกตัวขณะนี้ยิ้มรู้สึกตัวเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆนะต่อไปเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวเราไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันจะรู้สึกได้เองถ้าเราหัดรู้สึกบ่อยรู้สึกบ่อยนะจิตมันเคยชินมันคุ้นเคยเวลาร่างกายกระดุกกระดิกนะมันคุ้นเคยที่จะรู้ขึ้นมาต่อไปเวลาเราเผลอๆอยู่เกิดกระดิกตัวนิดเดียวสติเกิดอัตโนมัติเลย จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้เลยไปฝึกนะ้ําไม่ยากอะไรหรอกนะพวกที่รักกายมากก็คอยรู้สึกอยู่ในกายนี่แหละแต่แทนที่จะคอยรู้สึกว่าตรงนี้ไม่สวยตรงนี้ไม่สวยนะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายคอยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายนะี่รู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนี่สําหรับคนส่วนใหญ่ชวนช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นกรรมฐานที่เหมาะเลยนะสําหรับพวกที่อินทรีย์อ่อนอย่างพวกเราในวงเล็บเลยฟ้าอย่างพวกเรา ถ้าเยินสีแก่กล้าคงหลุดพ้นไปแล้วล่ะต้องใช้คำอย่างนี้นี่พราะยินสีอ่อนแต่ชิดมากด้วยก็คอยรู้ทันจิตของตัวเองเวลารู้ทันจิตเนี่ยจิตมันมีสภาวธรรมทั้งดีและชั่วระหว่างดีกับชั่วอะไรเกิดมากมากว่ากันของพวกเรานึกออกไหมซื่อตรงต่อตัวเองใครรู้สึกดีเยอะเลยวันวันยกมือสิใครรู้สึกพอๆกันยกมือสิ ใครรู้สึกชั่วเยอะเลยเยอะไวมาสิใจลอยไหมใจลอยบ่อยไหมไม่ทราบนั่นแหละชั่ว <c oughs> ไม่ทราบคือตัวโมหะนะอโอกาสที่บ้านพวกเราแหมจะดีโลดเลยนะยากนะยาก น, นานๆกูศลเกิดทีหนึ่งนะ น, นานๆจะรู้ตัวทีระหว่างเวลาแห่งการรู้ตัวกับเวลาเผลออะไรจะเยอะกว่ากันเผลอเยอะใช่ไหม งั้นเราเนี่ยโน้มเอียงทางชั่วนะงั้นกรรมาฐานเวลาที่จะดูจิตดูใจเนี่ยพระพุทธเจ้าเริ่มจากอะไรเริ่มจากกิเลสนะเริ่มจากของที่เรามีเราไม่ท่านไม่ไปเริ่มจากของที่เราไม่มีหรอกนะท่านเริ่มต้นยังไงท่านบอกว่าดูก ร, ราภิกสูทั้งหลายนะจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคานะงัเริ่มจากมีราคะ ดูกรัิสูจทั้งหลายถ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะดูกรับพิสูจทั้งหลายจิตมีโมหะคือหลงให้รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูกรัพิสูจทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูให้รู้ว่าหดหูเนี่ยจิตตานุปัสนานะสี่คู่แรกเนี่ยกิเลสทั้งนั้นเลย ส่วนสี่คู่หลังเนี่ยเป็นเรื่องของคนทรงฌานซึ่งพวกเราไม่มีจิตเป็นมหคตะไม่เป็นมหคตานี่พวกเราไม่มีหรอกพวกเราจิตแคบแคบดวงเล็กๆไม่ได้มีจิตมหคตะถ้าจิตมหคัตานจิตของพวกทรงฌานพวกเราไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีมีแต่จิตตววกระจิตกระจ้อยดวงเล็กใครใจน้อยบ้างใครเป็นคนใจน้อยใจน้อยไม่ได้เปลว่าจิตดวงเล็กนะก็ละ อ, อ, อย่างกันนะ แต่เวลาที่ใจน้อยเนี่ยใจมันจะหดหรู้สึกไหมเวลาใจน้อยไม่หดแต่นี้เดียวเวลาใจมีกิเลสจะไม่โตเพราะฉะนั้นจิตที่พวกเรามีเนยส่วนใหญ่เป็นอกุศลเป็นอกุศลท่านก็ไม่ได้สอนว่าเธอจงดูแต่กุศลท่านสอนสิ่งที่พวกเรามีนี้เราท่านให้ดูตั้งตั้งสี่คู่มากไปสี่คู่ สี่คู่เนี่ยเราดูคู่เดียวก็พอแล้วนะคนไหนขี้โรคยกมือซิคนไหนขี้โรคเจออะไรก็อยากได้หมดเจอเมียชาวบ้านยังชอบเลยนะมีไหมผู้หญิงสั่นหน้าเลยไม่ชอบชอบสามีเขาต่างหากนะไม่ชอบเมียชาวบ้านนะคนไหนขี้โรคมีไหมเดินชอปปิ้งเนี่ยโหฮิ้วของวิธีวัดนะคือไปดูหน้าศูนย์การค้านะถ้าหิ้วออกมาอย่างนี้นะพวกขี้โรนะ คนไหนขี้โกรธโอ้ขี้โกรธเยอะขี่โกรธเยอะขี้โกรธเนี่ยพื้นฐานเดิมนะมาจากไหนรู้เปล่า <c oughs> เสียงร่างเลยนะอย่ากลับไปอีกนะมาหลุดมาได้แล้วก็ดีแล้วละ่ะคนไหนหลงเก่งไหนหลงฟุ้งซ่านเก่งฟุ้งมาจากไหนรู้ไหมมาจากสัตวสัตว์ดรฉ า, านใจลอยเก่งนสัตว์เนี่ยฝูงมันใหญ่สังเกตไหมเวลาเรายกมือเนี่ย พวกราคามีไม่มากนะพวกโทสามารถขึ้นหน่อยพวกหลงเนี่ยเยอะที่สุดเลยสังเกตุสัตว์ต้องฝูงใหญ่ <laughs> พวกหลงมันเป็นภูมิของสัตว์นะสัตว์อะไรฉานสัตว์อะไรถ้าเรามีกิเลส ต, ตัวไหนมากเราดูตัวนั้นแหละเป็นหลักคนไหนขี้โลภเราก็ดูไปเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายนี่ภาษาไทยนะ ถ้าภาษาของพระพุทธเจ้าก็จิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาเนี่ยจิตโลภเราก็รู้นะหายโลภแล้วเราก็รู้ะจิตโกรธขึ้นมาคนไหนขี้โกรธก็ดูจิตโกรธจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธจิตหายโกรธแล้วรู้ว่าหายเนี่ยทั้งวันเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะมันโกรธปั๊บเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธอีกก็ก็หายเนี่ยดูเป็นคู่คู่อย่างนี้นะหรือจิตฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกตัวฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกตัวอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ เนี่ยคอยดูไปคอยดูของเรานะจิตหลงแล้วรู้สึกจิตหลงแล้วรู้สึกดูอย่างนี้ก็ได้เวลาที่เราดูเนี่ยเอาคู่เดียวที่เรามีมากที่สุดนะไม่ต้องดูทุกตัวแต่ตัวอื่นนั้นเป็นผลปล่อยได้ที่เราจะเห็นเองเพราะเราดูตัวหนึ่งชํานาญแล้วตัวอื่นเราก็จะเห็นเองกรรมฐานนี่แปลกนะถ้าเก่งตัวหนึ่งแล้วมันจะเนื่องไปถึงตัวอื่นด้วยกระทั่งสมถานะ อากสินเนี่ยถ้าเราได้กสินสักดวงหนึ่งก่อนนะจะ ส, สินสิบข้อเนี่ยได้หนึ่งงานก่อนสมมตเราเล่นกสินไฟชำนานนะได้ปฏิภาคแลระแสงสว่างกําหนดปุ๊บสว่างเลยเงี้ยถ้าไปเล่นกสินอื่นนะไม่นานก็จะได้ปฏิภาคมัจะได้อย่างเร็วทํากรรมฐานอันหนึ่งสําเร็จแล้วอันอื่นก็จะง่ายถ้าเราดูจิตชนิดหนึ่งได้แล้วนะต่อไปเราจะดูจิตได้ทุกอย่างเลยจิต ท, ทุกชนิดจะดูง่ายไม่งั้นคนไหนขี้โกรธดูโกรธบ่อยๆมันโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ เวลาโกรธขึ้นมาเรารู้โกรธขึ้นมาเรารู้เนี่ยยิ่งโกรธบ่อยๆเรารู้ได้บ่อยๆจิตจะจําสภาวะของความโกรธได้แม่นเมื่อจิตจําสภาวะความโกรธได้แม่นพอความโกรธเกิดเนี่ยสติจะเกิดอัตโนมัติมันจะรู้ขึ้นมาเองว่าอ้าวโกรธอีกแล้วพอโกรธอีกแล้วนะแปบพอรู้ว่าโกรธอีกแล้วโกรธต่อโกรธตัวเองถ้าไม่มึงขี้โมโหนะวะเคยไหมโกรธคนอื่นเสร็จแล้วมาโกรธตัวเองต่อเคยไหม เออเนี่ยให้รู้ทันในะพวกเนี้ยโกรธกรรมพันธุ์เลยคือสืบเนื่องต่อไม่ไม่ขาดสายเลยนะเนี่ยพวกโทสะดูไว้นะดูไว้ให้เห็นเลยเออมันโกรธแล้วอ้าวมันหายอ้าวมันโกรธอีกแล้วมันหายอีกแล้วมันโกรธตอนไหนโกรธตอนกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันหายตอนไหนตอนที่ไม่ได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเห็นไหมมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับอย่างเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าเราเราเห็นมันปาดหน้านะใจมันโกรธ เพราะอะไรไอ้คนนี้เราไม่ชอบใจมันปาดเราขณะที่คนปาดหน้าแล้วเราโกรธเนี่ยเรารู้อะไรเรารู้ไอ้คนที่ปาดเราใช่ไหมแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่เรารู้ว่ากําลังโกรธนะความโกรธจะดับวับเลยเพราะอะไรเหตุของความโกรธ ด, ดับคือไม่มีไอ้คนนั้นนะมาเป็นอารมณ์อีกต่อไปแล้วขณะนี้เปลี่ยนอารมณ์แล้วมาดูความโกรธของตัวเองไม่ใช่ดูในคนที่ทําให้โกรธเนี่ยไม่ใช่เราเก่งนะมันดับของมันเองไม่ใช่กูเก่งไม่ใช่กูดับได้ มันดับเพราะเหตุของมันดับคืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจนั้นมันผ่านไปแล้วมันหนีไปแล้วเราเราเกิดมาเห็นความโกรธของตัวเองขณะนั้นเรามีความโกรธเราเห็นความโกรธเนี่ยเรามีจิตของตัวเองเป็นอารมณ์แล้วไม่ใช่มีร่างกายของคนอื่นเป็นอารมณ์นี่มันจะสลับกันอย่างรวดเร็วเนี่ยเราคอยดูเรื่อยๆเราก็เห็นเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเวลาดูไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้โกรธ ไม่ห้ามจะโกรธก็ได้เ๋ย่าไปดูนะว่ามันชีโกรธจ้องมันไว้สิอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะออสุดท้ายโกรธแล้วโกรธตัวเองมันตันโกรธขึ้นมาเนี่ยวันนี้ใสมันเป็นอย่างนั้นนะห้ามมันไม่ได้นะอืให้แค่รู้เท่านั้นแหละเห็นไหมความโกรธมันผุดขึ้นมาความโกรธมันดับไปความผุดมันเกิดขึ้นมามันดับไปไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อไม่ให้โกรธไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อว่าโกรธแล้วจะดับมันมันดับของมันเอง การที่จิตโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้แล้วมันดียังไงสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะตัวเนี้จะถึงขั้นที่ทําสติปัฏฐานให้เกิดปัญญาละขั้นสติปัฏฐานให้เกิดสติคือหัดดูจิตโกรธก็รู้จิตโกรธก็รู้นะจิตหายหายโกรธก็รู้อย่างเนี้ยสุดท้ายพอจิตโกรธขึ้นมาสติระลึกเองนี่ได้สติล้วนี่ตรงที่จะได้ปัญญาเนี่ยมันจะเห็นว่าจิตโกรธเกิดขึ้นมาแล้วดับไปจิตไม่โกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธให้มันมีสองอันเนี้นะสุดท้ายปัญญามันปิงงเเลยยมมันนปิขึ้าาว่ ทุกอย่างเกิดเราดับทั้งสิ้นไม่ใช่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธนะจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเป็นตัวอย่างที่เราผสมเป็นสุ่มเรียนเท่านั้นเองสุ่มคล้ายๆทําวิจัยเวลาเราทําวิจัยเราไม่ต้องไปเรียนทุกสิ่งทุกอย่างนะเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนเนี่ยเราสุ่มตัวอย่างที่มีมากๆอย่างขี้โมโ oh หเราก็ดูจิตโกรธจิตไม่โกรธเราก็จะเห็นว่าจิตโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตที่ไม่โกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยจะเห็นอย่างนี้ใจมันจะเกิดความเข้าใจ ความเข้าใจนั่นแหละคือตัวปัญญามันจะเข้าใจจิตที่โกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตที่ไม่โกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตจะโกรธก็โกรธได้เองจิตจะหายโกรธก็หายได้เองสั่งไม่ได้สักอย่างเดียวเลยจะเห็นอย่างนี้นะสุดท้ายปัญญามันเกิดจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบังคับมันไม่ได้เนี่ยเวลาปัญญามันเกิดมันเกิดภาพรวมมันไม่ให้เกิดรู้แค่ว่าโกรธแล้วหายได้ แต่มันจะรู้ทุกทุกอย่างเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างเราขี้โลภก็เหมือนกันถ้าเราขี้โลภนะใจมันอยากขึ้นมาเรารู้ทันมารู้ทันความอยากมันจะดับพอความอยากมันดับปุ๊บก็เกิดใจที่ไม่อยากใจที่ไม่ได้มีความอยากนะแล้วประเดี๋ยวพอกระทบอารมณ์ใหม่จิตใจอยากก็เกิดอีกเรามีสติรู้ทันอีกก็เกิดใจที่ไม่อยากสลับไปสลับมาไม่ใช่เพื่อเอาใจที่ไม่อยาก ไม่ใช่เพื่อปฏิเสธใจที่อยากนะไม่ใช่เกลียดอยากแล้วก็จะเอาที่ไม่อยากนะไม่ใช่เกลียดจิตที่โกรธจะเอาจิตที่ไม่โกรธไม่ใช่เกลียดจิตที่โลภแล้วจะเอาจิตที่ไม่โลภไม่ได้ฝึกเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าทั้งสองอันน่นแหละเกิดแล้วดับตัวนี้คือการเดินปัญญานะถ้าไม่ใช่การเดินปัญญานี่ภาวนาผิดภาวนาผิดก็คือทำไงจิตจะไม่โกรธจะเอาจิตที่ไม่โกรธจะไม่เอาจิตที่โกรธ จะเอาตัวหนึ่งจะไม่เอาตัวหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสนาแล้ววิปัสนาเนี่ยจะเห็นเลยสองตัวเนี้เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จิทตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธก็เกิดแล้วดับเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันจะมองอย่างนี้ดังนั้นจะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอันหนึ่งแล้วเกลียดอีกอันหนึ่งแต่เราจะปฏิบัติจนเห็นว่าทุกสิ่งนั่นแหละเกิดแล้วดับทุกสิ่งนั่นแหละบังคับไม่ได้เนี่ยปัญญาอยู่ตรงนี้ดังั้นต้องเรียนให้ดีนะ เพราะงั้นเวลาที่บางคนขี้โมโหอย่าเงี้ยมาดูจิตแล้วก็มาถามหลวงพ่อเมื่อ ไ, ไหร่หนูจะเลิกโมโหบอกหลวงพ่อไม่ได้สอนให้หนูเลิกโมโหเลยหลวงพ่อสอนบอกว่าถ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะต่างหะไม่ได้สอนว่าให้เลิกโมโหนะแต่เมื่อเราดูเลยจิตกโกรธแล้วรู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตรอบรู้จิตไม่รอบรู้อะไรเงี้ยนานไปนานไปมันจะรู้เลยจิตทุกอย่างนหละ จิต ท, ทุกอย่างแหละเกิดแล้ดับสภาวะทั้งหลายเกิดแล้ดับจะเห็นอย่างนี้อย่างตอนที่หลวงพ่อภาวนานะตอนท้ายๆของการภาวนาปีหลังๆตอนเป็นโยมทีแรกก็ขี้โมโหนะเขาจะเห็นเดียเด๋ยวจิตก็โกรธเดียเด๋ยวจิตก็ไม่โกรธดูด อ, ยอย่างนี้แต่มาภาวนามานานๆเนี่ยสติมันเร็วมันไม่ทันจะโกรธมันเห็นจิตเผลอจิตเผลอไปก่อนนะก่อนจะโกรธได้ต้องเผลอนะถ้าไม่เผลอไม่โกรธหรอกเนีจะเห็นะหจิต ท, ที่เผลอไปอา้าวลุกสึกเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึก อันนี้คืออะไรคือสติปัฏฐานตรงที่จิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้งั้นแค่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยนะก็ทําภิปัสนาได้แล้วรู้จักเผลอไหมรู้จักรู้ไหมงั้นเผลอก็รู้ทันะรู้ตัวขึ้นมาก็รู้ทันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อห้ามเผลอไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะรู้ตัวตลอดเวลาจำไว้นะ บางคนปฏิบัติเพื่อจะรู้ตัวตวลอดเวลาทาผิดแล้วไม่ใช่วิปัสนาเอาแค่เผลอเรารู้เผลอเรารู้เผลอเรารู้ก็จะเห็นจิตเผลอเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับสุดท้ายก็รู้ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันจะเข้ามาตรงจุดจุดนี้ตรงที่อุปติสะได้ยินธรรมะที่พระอาษชีสอนนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดจากเหตุ พระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้อุปติสสะก็ปิ้งได้โสดาบันได้โสดาบันแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาอันหนึ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาแปลกไหมประโยคที่พระอาศาชีพพูดนะกับประโยคที่พระสารีบุตรรู้เนี่ยเหมือนกับคนละเรื่องเลยรู้สึกไหม พระสชิีบอกว่ายังกินจีสมุทธยะธรร ม, มังนะรมทั้งหลายนะเกิดแต่เหตุประโยคที่สองพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นประโยคที่สแล้วก็ท่านแสดงความดับไปของธรรมนั้นพระทศตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ทําไมเวลาปิ้งขึ้นมาได้โสดาขึ้นมากลับไปได้รู้ขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา ทำไมเป็นอย่างนั้นตรงที่พระสัชชีบอกทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุอะไรทําเหล่าใดที่เกิดจากเหตุรู้ไหมทุกนั่นไงเกิดแต่ตัวเหตุนี่คือแสดงทุกขสัตว์แล้วนะทุกขสัตว์คือรูปนามทั้งหลายนี่แหละคือตัวทุกุรูปนามไม่ได้เกิดลอยๆรูปนามเกิดจากเหตุพระตถ า, าคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นประโยคที่สองเนี่ยสอนอริยสัจ ต, ตัวที่สองแล้วนะถึงสมุตไตรและเหตุ ท่นปิงเลยนะถึงเหตุถ้าพวกเราฟังอย่างนี้ยังไม่ปิงหรอกว่าอะไรเป็นเหตุแล้วพระทาสห า, าคตเจ้าแสดงความดับไปเขทาทำนั้นนี่คือนิโรธนะท่นพูดสั้นๆเน่ยนะทุกสมูทัยนิโรธแล้วประโยคสุดท้ายท่านไม่พูดละไม่พูดเรื่องมรรคละทําไมไม่พูดเรื่องมรรคแล้วล่ะสารีบุตรได้มรรคแล้วจบแล้วพวกเราไม่ได้อย่างท่านนาะ เพราะว่าบารมีไม่ถึงแสนมหากรัปบารมีไม่เท่าเนี่ยของท่านเนี่ยฟังนะทุกสมุทัยนิโรธจบแล้วเกิดอริยมรรคล้เกิดโสดาปติมรรคแล้วเกิดโสดาปติมรรคก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรที่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตัวทุกนั่นแหละคือรูปนามคือกายใจของเรานี่เอง เกิดขึ้นมาเพราะมันมีเหตุแล้วก็ถ้าเหตุดับตัวมันดับนะเี่ยจะเข้าใจตัวนี้เลยดับก็ดับตัวเหตุจะดับที่ตัวสมูทัยจะจะดับตัวสมูทัยได้ต้องรู้ตัวทุกข์ถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ดับสมูทัยเมื่อนั้นดับสมูทัยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่นะไม่ต้องพูดเรื่องมากหรอกอริยมรรคเกิดแล้วเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะมันจริงๆรินะ ยพ่งภาวนานะสนุกสนุกนะฝึกเข้าไปเรื่อยๆดูของจริงไปเรื่อยๆของไม่เคยเห็นจะได้เห็นของไม่เคยรู้จะได้รู้ของไม่เข้าใจจะได้เข้าใจแล้วของเคยยึดถือจะปล่อยได้ของที่ยึดถือเดี๋ยวแน่นที่สุดคือจิตเรานี่เองคือจิตนี่เองยังปล่อยได้เลยแต่พอปล่อยแล้วบางทีถ้าไม่เต็มภูมินะมันไปยึดเทำไมาอีกตอนหลวงพ่อเป็นโยมโยมอย่างพวกเรานี้แหละต้องวงเล็บอย่างนี้เลยนะ อย่างพวกเรานี่แหละกินข้าวเย็นอย่างนี้แหละถือศี่ห้าแค่นั้นเองมีภรรยาด้วยนะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนตอนเป็นโยมเดี๋ยวใครไม่ไปตัดต่อเทปเนี่ยหลวงพ่อประโมทบอกหลวงพ่อประโมทมีภรรยาด้วยะตอนเป็นโยมนั่นแหละพภาวนาภาวนาแล้วไม่เห็นเลยนะจิตมันวางจิตลงไปพบโอ้โหมันบารมณมันสุขเลยนะมันปล่อยไอ้ตัวหัวโจกลงไปได้ ไอ้ตัวเนี้นะหาทางจัดการมานานแล้วเคยถามน่าแต่หลวงปู่เทศเลยบอกผมเห็นจิตต้นกําเนิดนะ้วแต่ทํายังไงจะทิ้งมันได้ทําไงจะทําลายมันได้เห็นจิตที่เป็นต้นกําเนิดนะจิตต้นกําเนิดคือตัวอะไรคือตัวรู้นั่นเองตัวผู้รู้นั่นเองมันมีอวิชชาซ่อนอยู่มีเชื้อเกิดซ่อนอยู่ภายในทําไงจะทําลายมันได้ะท่านบอกว่าถ้าภาวนาไปมันถึงเวลามันแก่กล้ามันทําลายของมันเองมันวางของมันเองท่านว่าอย่างนี้นะ นี่เราภาวนามาถึงจุดนมันวางฟุบลงไปนะตอนนั้นยังเป็นโยมเลยพอวางลงไปนนะก็ดีใจนะแล้วเสร็จแล้วก็มันก็ไปหยิบขึ้นมาเอาใหม่แล้วเดี๋ยวบางทีก็วางเดี๋ยวก็หยิบเดี๋ยวก็วางเดี๋ยวก็หยิบพอดีตอนนั้นหลวงปู่สุวัตอ่ะสุวัตโจมาจากอเมริกามาพาักอยู่ที่ปฐุมที่ปากเกร็ดที่ปากเกร็ดซอยวัดกู้ที่ซอยวัดกู้ หลวงพ่อก็ชวนแม่ชีตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะเดี๋ยวว่าพระชวนชีไปเ อ, อนายฟลาโมดเนี่ยชวนภรรยาออไปหาหลวงปู่สวัต ร, รีบไปเลยนะักขับรถไปเลยเพื่อจะไปถามกันบ้านต่อว่าผมวางแล้วทํำไงมันจะไม่หยิบอีกไปจะถามอย่างนี้นะวางแล้วจะทำไงมันจะไม่หยิบใช่ไหมไอ้ใจมันกําลังวางวางไปแลพอขับรถออกจากบ้านมาเท่านั้นเองมันหยิบปุ๊บขึ้นมาเลยเฮ้ยว่าง เราจะเอาไปให้หลวงปู่ดูนะจะได้ถามว่าถ้าวางแล้วจะทำยังไงไม่ให้หยิบอีกไม่ยอมเลยทำไงเขาไม่ปล่อยนะทาไงไม่ยอมปล่อยจกระทั่งรถจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วเข้าซอยที่หลวงปู่พักอนะ่ะซอยวัดกู้นะจนปั ญ, ญญาแล้วไม่ยอมปล่อยจิตนี้เป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้เลยมันนึกจะหยิบมันก็หยิบมันจะปล่อยมันก็ปล่อยเขาไม่เองเราสั่งมันไม่ได้ พอเห็นนะว่าจิตมันเป็นอนัตตานะเราสั่งมันไม่ได้มันวางเฉยเลยนะโห้ดีใจว่าส่งกันบ้านได้แล้วรอบนี้นะไปถึงหลวงปู่เขาก็เข็นหลวงปู่มาหลวงปู่ได้รดกว่ําเป็นอรมพานหลวงปู่ก็นั่งยิ้มออกมาเลยะถ้าเราเป็นอรรมพานเราไม่ยิ้มอ่ะเราต้องเศร้าใจะท่านยิ้มผ่องใสออกมานะจากห้องพักพระก็เข็นออกมาแล้วก็กราบเสร็จแล้วท่านก็ ยิ้มยิ้มแนะมองยมแล้วก็ยิ้มท่านก็บอกเออจิตเนี่ยแปลกนะไม่ได้พูดเดี๋ท่านเลยนะสาตาร์ทท่านก็สาตาร์ทตัวนี้เลยจิตนี่มันเป็นของแปลกนะเราภาวนาไปบางทีมันก็วางลงไปวางแล้วมันก็หยิบขึ้นมาอีกเราทํำยังไงยังไงเราก็วางไม่ได้ทํางไงเราก็สั่งให้วางไม่ได้นะแต่พอเราเห็นว่าจิตเป็นอนัตตานะมันก็วางของมันเองเนาะ ไม่ต้องถามเอไม่ได้ถามจิตเป็นอนัตตารู้แล้วล่ะแล้วแต่เมื่อไหร่มันจะอนัตตาตลอดนะ <c oughs> ตอนหลังท่านก็บอกนะข่าวหลังเจอท่านครั้งหลังๆครั้งสุดท้ายที่เจอท่านนะทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่มีอะไรหรอกทิ้งไปเลยเราก็นึกในใจหลวงปู่พูดง่ายๆนะถ้าทิ้งได้ง่ายๆก็ดีสินะพวกเราคงบรรลุพระอรหันต์กันหมดแล้วล่ะ ต้องฝึกนะฝึกจนวันหนึ่งปัญญามันค่อยแก่กล้าที่เราหัดเจริญสติปัฏฐานเนะีเราฝึกเบื้องต้นให้มีสติหัดดูสภาวะบ่อยๆคนไหนมีสภาวะตัวไหนบ่อยเอาตัวนั้นเป็นหลักขี้โกรธก็เห็นว่าโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไปหายโกรธก็รู้โกรธแล้วก็รู้ขี้โลบก็ดูไปโลบก็รู้หายโลบก็รู้ขี้หลงนะใจลอยไปก็รู้รู้สึกตัวก็รู้เนี่ยฝึกอย่างเนี้ยฝึกบ่อยๆ ถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้กระดุกกระดิกก็รู้หยุดนิ่งก็รู้นะมีแต่คําว่ารู้ ร, รู้นี่แหละรู้ไปรู้ไปต่อไปมันรู้โดยอัตโนมัติไม่เจตนาจะรู้เรียกว่ามีสตนะิพอมีสติแล้วเราก็รู้ต่อไปอีกนะเพื่อให้เห็นความจริงของมันความจริงของมันเราอย่าเข้าไปแทรกแซงนะโกรธขึ้นมาก็ไม่ต้องไปห้ามมันนะไม่ต้องไปเวลาดีขึ้นมาก็ไม่ต้องไปรักษา เราปฏิบัติไปเพื่อจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดูอย่างเนี้ง่ายไหมแต่ถ้าเราจะภาวนาแล้วเพื่อให้จิตดีตลอดให้สุขตลอดให้สงบตลอดอันนี้ยากนะเพราะว่ามันฝืนธรรมชาติเพราะจิตไม่เที่ยงจะสั่งให้ดีตลอดให้สุขตลอดสงบตลอดมันไม่เที่ยมันทำไม่ได้จริงแต่เราปฏิบัติเนี้ยแสน ง, ง่ายจิตโลภก็รู้ว่าโลภจิตไม่โลภ ร, รู้ว่าไม่โลภนี่จะยากอะไรเพียงแต่ว่ายากตรงที่ขี้เกียดดูนั่นแหละ เพราดูซ้ําดูซากดูแล้วดูอีกอดทนดูแล้วดูอีกนะทนทนเข้าไปดูเข้าไปบ่อยๆ ย, ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีท่านบอกให้ทําเนืองเนืองรู้กายในกายเนืองเนะืองะรู้เวทนาในเวทนาเนืองเนืองรู้จิตในจิตเนืองเนืองรู้บ่อยๆนะรู้บ่อยๆจากไม่มีสติก็ ม, มีสติมีสติแล้วรู้บ่อยๆต่อไปก็ ม, มีปัญญามีปัญญาก็คือเข้าใจความเป็นจริงของไตรลักษณ์ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ สุกทุกข์ก็เท่ากันดีกับชั่วก็เท่ากันนะโกรธกับไม่โกรธรอบกับไม่โลบหลงไม่หลงเท่าเท่ากันคือเกิดแล้วดับทั้งสิ้นใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วเนี่ยถ้าบุญบารมีเรามากพอแล้วอริยามรรคจะเกิดเองไม่มีใครสั่งอริยามรรคให้เกิดได้อริยามรรคจะเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้วนะเกิดเองงั้นมันอยู่ๆมันไม่แก่หรอกนะเราแก่แต่ร่างกายเฉยๆ แต่สติปัญญาเรามันไม่แก่ต้องพามันปฏิบัติทำอย่างที่สอนนะอดทนเข้าใช้เวลาไม่มากหรอกอย่างมากก็เจ็ดปีแต่ว่าจริงๆไม่ถึงหรอกนะพวกที่เรียนรุ่นหลังๆเนี่ยเดือนสองเดือนแยกขันได้ะ่ะเอาที่ไหนอะ่ะหาที่ไหนอย่างนี้ไม่มีหรอกแต่ก่อนหนะ้าสิบปียี่สิบปียังไม่รู้สึกตัวเลยเด็กนี้รู้สึกตัวเนี่ยเบสิกเกินไปมาถึงวันนี้ถ้าใครยังแยกขันไม่ได้หลวงพ่อถือว่าล่าช้าแล้วนะใกล้จะตกขบวนรถแล้วนะ ถ้าเป็นเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยถ้าใครยังรู้สึกตัวไม่เป็นนี่เฉยแหลกตอนนี้ถ้ายังแยกขันไม่ได้อุ้ยล้าหลังแล้วต้องขยันหน่อยขยันดูจเจริญสติไปเรื่อยนะเห็นกายทางานเห็นใจทํางานเอาขันมันแยกเองพอขันแยกได้เราก็จะเห็นถ้าถนัดดูกายก็เห็นกายไม่ใช่เราถนัดดูเวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราถนัดดูจิตก็เห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เรามันทํางานเองเนี่ยฝึกอย่างนี้นะไม่ยากอะไรหรอก พอสมควรแก่เวลากรับนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตขอความเมตตาจากหลวงพ่อหนูจะรายงานการปฏิบัติของตัวเองค่ะจะมารายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกที่หนูปฏิบัติหนูอยู่กับพุโทโธค่ะแต่ว่าพอฟังหลวงพ่อบ่อยๆและหลวงพ่อจะพูดถึงการเจริญเมตตาหนูก็ลองเจริญเมตตาเพราะว่าตัวเองเป็นคน ที่โกรธพอเจริญเมตตาไปเรื่อยๆหนูก็เลยติดอยู่กับเจริญเมตตาค่ะเมตตาคุณนางอะรหังเมตตาหนูอยู่กับการเจริญเมตตาแบบเนี้ยค่ะอ่าตลอดทั้งวันแต่ว่าช่วงนี้หนูต้องทํางานที่เกี่ยวกับด้านสื่อเยอะขึ้นแล้วหนูหลงบ่อยมากเลยค่ะหลงพ่อหนูหลงหลงไปโดยเฉพาะคิดเรื่องงานนะคะมันจะไปหลงเวลาทำงานที่ต้องคิดนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติเนาะ เราจาเป็นต้องทำเพื่อจะได้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกแต่เวลาทำงานแล้วนะถ้าเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้เอาฝึกนะอย่างนั้นแหละหก เ, ลเก็บเล็กเก็บน้อยไปค่ะหนูก็เลยตามดูมแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลากลับบ้านนะก็มาทำในรูปแบบผิดถึงจะมีพลังแต่ถ้ากลับบ้านมาเหนื่อยเต็มที น, ะนั่งก็หลับเดินก็หลับก็รีบตื่นให้ไวขึ้นตอนเช้า เราไปทาตั้งแต่เช้ากลางคืนกลับบ้านก็ไหว้พระนี่หน่อยแล้วก็หลับไปซะเลยค่ะหนูหจะนั่งสมาธิค่อนข้างยากค่ะเพราะว่านั่งที่ใดแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นไปหมดเลยไอ้นั่นจงใจอยากอยากสงบอยากปฏิบัติเนี่ยอยากรู้อยากเห็นจะแน่นหนูก็เลยใช้วิธีการสวดมนต์ยาวหน่อยค่ะได้สวดมนต์ไปได้แล้วก็รู้ทันจิตใจไปค่ะ แล้ววันก่อนนี้หนูได้ทราบข่าวจากเพื่อนว่าเพื่อนที่เคยรู้จักกันและเคยทำงานด้วยกันเขาตายอะคะอ่ะหลพ่อตอนแรกหนูก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็แค่ทราบข่าวว่าเพื่อนที่เคยรู้จักกันตายแต่พอหนูได้เห็นเห็นภาพเขาอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็รู้สึกว่าใจมันถูกบีบมากบีบจนเหลือเล็ขนิดเดียวแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันเหมือนจะแตกเลยอะคะ่ะแล้วหนูหนูสลดอย่างมาก แต่ว่าหนูหนูรู้สึกตัวว่าหนูยอมรับมันไม่ได้หนูหนูรู้สึกว่านะเวลานั้นหนูรักเองมากหนูก็ต้องภาวนาอีกเมื่อเราเห็นคนอื่นตายโดยเฉพาะเห็นคนรุ่นเดียวกันตายนะที่มันสะท้อนเข้ามาที่ตัวเองนะรู้สึกชีวิตเราเองก็ไม่ได้นอนน่าใจมันหดหูมันยังรักมากอยู่ต้องภาวนาอีกหนูหนูกลัวตายแล้วหนูกลัวไม่พอตอนตายหนูจะหนีอบายไม่ได้หรือว่า จะไปไม่ดีถือศีลห้าไว้จนเคยชินนะแล้วก็จเจริญสติไปเรื่อยๆถึงเวลาตายมันตายดีไม่ต้องกลัวค่ะหนูก็รักษาศีลอย่างดีอย่างที่ห<ด>ลวงพ่อสอนค่ะแค่นี้นก็เหลือเฟือแล้วอีกคําถามสุดท้ายนะคะคือแม่ค่ะแม่เป็นคนที่โทสะมากค่ะแม่จะขี้โกรธโกรธทุกอย่างเลยค่ะแล้วหนูสงสารพี่สาวที่อยู่กับแม่โอ้น่าสงสาร เพราะว่าพี่สาวเขาก็บอกเขาก็กลัวบาปแม่โกรธทุกอย่างแล้วพี่สาวก็เลยบอกว่าภาวนายากดูใจของตัวเองไปเราอย่าไปห้ามแม่ไม่ให้โกรธไม่ได้หรอกแม่อยากโกรธก็โกรธของแม่ไปเราอย่าไปโกรธแม่เขาแล้วกันดูของเราไปดูที่ใจตัวเองใช่ไหมคะมหลวงพ่อไปแก้ที่แม่แก้ได้ยังไงแก้คนอื่นแก้ของตัวเองเอา ขอถวายการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถวายแด่หลวงพ่อมอบให้กับบุพก า, ารีและพี่าาสาวเจ้าค่ะช่สาธุเนี่ยดีกว่าของขวัญปีใหม่้วยอีกหน่อยเราภาวนาน ล, วล้วก็บอกเขาให้รับส่วนบุญของเราโอ้ดีนะไม่เสียตังค์ด้วยการมาสักการหลวงพ่อค่ะหนูเห็นไหมกายกระใจเป็นคนละอันกันดูอห ย, ยัง เงอขันมันแยกเป็นแล้วพอแขนมันแยกได้แล้วการภาวนาที่เหลือเนี่ยมจะง่ายมันยากที่สุดเลยตรงขั้นแยกขันเนี่ยภาวนากันตั้งนานกว่าขันมันจะแยกพอแยกได้แล้วการภาวนาที่เหลือเนี่ยไม่ยากเราก็จะเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานนะดูไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรหรอกตอนนี้มันทุกข์มากๆค่ะหลวงพ่อมันอะไรนะทุกข์อะค่ะมันทุกข์เห็นทุกข์สิถึงจะดีถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่ภาวนาขนาดนี้หรอก เวลาสบายเวลามีความสุขนะควรจะขี้เกียจภาวนานะเวลามีความทุกข์ก็ขยันภาวนาเพราะว่าไม่มีที่พึ่งก็ขยันภาวนาตรงนี้เป็นกําไรของชีวิตนะค่ะตอนนี้หนูถือศีลห้าได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ปฏิฆาเกิดก็รู้สึกตัวยังยังไม่เป็นโทสะก็รู้แล้วละะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆจากที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วเมื่อหกเดือนที่แล้วอะคะ่ะถูกแล้ว ดีนะโมทนาค่ะก็ถ้าเกิดว่ า, าหนูทำปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ขอถวายการปฏิบัตินี้เป็นอาจรยยาบูชาให้กับหลวงพ่อแล้วก็เป็นพุทธบูชาแล้วก็มอบบุญนี้ให้กับบวพการีด้วยค่ะต่อไปต้องให้พระพุทธเจ้าก่อนนะไหว <laughs> ค่ะกราบน้ำสการหลวงพ่อค่ะ ก็ได้เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อมานานแล้วนะคะแล้วก็ห่างไปแล้วก็กลับมาปฏิบัติใหม่ที่มาคุณบาลีนะคะทีนี้ที่อยากจะถามหลวงพ่อคือไม่ทราบว่าขึ้นวิปัสสนาหรือยังนะคะสังเกตว่ากายกับใจเป็นคนละอันไหมสังเกตค่ะสังเกตไหมว่าใจมีแรงหรือไม่มีแรงสังเกตค่ะตอนนี้มีแรงไหมมีค่ะมันเต้นแรงไม่ใช่ใจเต้นแรงนะอ๋อค่ะใจนี้จิตมันมีพลังไหม จิตมันอ้อยสร้อยอ้อไม่ไมไม่คอยมี๋จิตไม่มีพลังค่ะะจิตไม่มีพลังเนี่ยถึงแยกขันได้นะก็ไม่เดินปัญญาหรอกมันจะเฉยเฉยอยู่ะอืาะฉะนั้นทําความสงบเพิ่มขึ้นนิดหน่อยให้จิตมีแรงพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตมีแรงนะแล้วขันมันแยกได้มันจะดูขันทํางานได้ค่ะแรงไม่พอพอแรงไม่พอนะคะคือมันถึงต้องนั่งสมาธิมากขึ้นหรอคะหรือว่าไงคะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วอยู่กับกรรมฐานนั้นบ่อยๆ แลถ้าจิตหนีไปเรารู้จะนั่งหรือจะยืนจะเดินอะไรได้เท่านั้นแหละค่ะไม่จําเป็นว่าต้องนั่งถนัดนั่งก็นั่งนั่งหายใจนั่งพุทโธอะไรเงี้ยให้ใจมันได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงใจมันมีกําลังแล้วขันไม่จะแยกแล้วทํางานได้ชัดไม่งั้นมันจะอ้อยอ่อยอ้อยสรอยอ้อยยิงไปหน่อยบางครั้งเหมือนจิตมันนิ่งนิ่งะค่ะหลวงพ่อค่ะมันไม่มีกําลังพ่อมันไม่มีกําลังค่ะมันก็ไปเงี้ย ค่ะค่ะได้ค่ะกับขอบพระคุณต่อไปกับราชการค่ะหลวงพ่อก็เพิ่งปฏิบัติมาไม่กี่เดือนค่ะอในคําถามหลวงพ่อจะตอบไปในการเทศแต่ว่าที่ติคือไม่มั่นใจว่ามันเป็นการเออ่มันไม่ได้คิดเอาหรอกมันสังเกตไหมว่ากายกระใจมันแยกกันได้ค่ะะมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหรอกที่กายกระใจแยกออกจากกัน เาะในความเป็นจริงแล้วนะเวลามนุษย์ปกติเนี่ยตอนใจเป็นกุศลธรรมดาธรรมดานี่ขันมันแยกอยู่แล้วแล้วก็เวลาเกิดกิเลสหืออะไรเงี้ยเราไปรวบมันเข้ามาหรือเวลาเราจงใจปฏิบัติเงี้ยเราก็ไปรวบเพิ่มมาแล้วมาฝึกเพื่อจะแยกออกไปอีกทั้งที่โดยธรรมชาตินะขันมันก็แยกของมันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วละงั้นพวกที่ไม่เคยภาวนานะเวลามาภาวนาเนี่ยภาวนาง่ายมากเลยแป๊บเดียวขันก็แยกแล้ว เพราะว่าไม่ได้จงใจไปรวบมันเข้ามาแนนุเห็นไหมตัวนี้พยักหน้ายิ้มซิยิ้มสังเกตไหมว่าปากยิ้มแต่ใจทื่อๆหรอกี่ยรู้ทันมันเห็นไหมร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันและตัวที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเห็นไหมตัวทื่อๆนี้เป็นอีกอันหนึ่งหัดดูไปด้วยขันไม่จะแยกได้เยอะแยะเลยแยกได้ชัดะก็ขันไม่แยกได้แล้วต่อไปก็ดูแต่ละขันมันทํางานของมันไปเราเป็นแค่คนดูดูเขาเล่นละคร ทนี้สงสัยว่าคือมันจะสงสัยว่ามันคิดหรือว่ามันภาคไม่มั่นใจห้ามไม่ได้จิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้จิตจะภาคก็ห้ามไม่ได้ไม่ห้ามมันหรอกแต่พอมันคิดแล้วเกิดสุข ก, ก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดดีเกิดชั่วก็รู้เอา้็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับนะไม่ต้องสงสัยเยอะสงสัยเยอะไปเยอะมากค่ะเออนะั่นเป็นปัญหาของหนูนะคิดเยอะคิดมากยากนานพ่อผิดค่ะ การนักาการค่ะเอหนูภาวนาโดยใช้กายอะค่ะก็เห็นจิตได้บางเห็นตัวมานะขึ้นเป็นระยะอ่ะอแล้วปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมวันนี้ตื่นเต้นนะจิตช่างฟุงฟ้งไหมฟุ้งซ่านเก่งะนะฟุ้งซ่านมีปัญหาตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่ก็พูดโธอยู่ก็ลมหายใจอะไรก็ได้ แล้วเวลามันหนีไปรู้ไวไม่ห้ามไม่ใช่พุทธโธห้ามเผลอพุทธโธห้ามเผลอไม่ใช่นะเผลอแล้วรู้ไวๆฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆจิตถึงจะมีพลังจุดอ่อนของคารวะา ท, ที่หลวงพ่อเห็นนะสองตัวใหญ่ๆหนึ่งก็คือสมาธิไม่พอจิตไม่มีแรงจิตมันฟุ้งซ่านเราฟุ้งซ่านเก่งๆยิ่งนักคิดทั้งหลายเนี่ยจะฟุ้งอีกอันหนึงคือทําให้ต่อเนื่องทําบ้างหยุดบ้างมีไหมจุดอ่อนอย่างนี้ใช่ค่ะ เดี๋ยวไปแก้ซะขอบคุณกับนวัตกรรมท่านอาจารย์ครับขอโอกาสครับจากการปฏิบัติมาก็ตามดูกายตามดูใจไปบางทีก็คิดว่ารู้บางทีก็เหมือนรู้บางทีก็เหมือนคิดนะครับครับจิตยังไม่ตั้งมั่นเป็นกลางพอที่จะแยกขันครับมันเหมมันแยกได้เป็นคราวๆมันไม่ได้แยกตลอดหรอกมันเป็นระยะรเพระพอแยกได้บ้าง และจากการปฏิบัติมาก็ศีลก็มีพอประมาณศรัท ธ, ธามีพอพอดีครับส่วนวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ยังน้อยอยู่ครับเราเขาทำสิครับ <laughs> รู้นี่รู้ฉลาดฉลาดนะคนฉลาดจะรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรอะไรยังขาดจะเติมอะไรดีครับสุดท้ายนี้ขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรมบูชา สังฆบูชาและจริยาบูชาครับนะผลของการปฏิบัตินี่ก็ขอถวายแด่หลวงพ่อครับแล้วก็ญาติธรรมผู้จัดงานครั้งนี้ท่านครับเวลาให้นาะให้เยอะๆหน่อยให้กับสัตว์ทั้งหลายเลยเนาะดีไม่งั้นเดี๋ยวพวกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไม่ให้ชั้นสักทีเลยรอมาตั้งนานไม่ให้สักคนเลยนะเรานึกให้ในใจก็ได้นะ เดี๋ยวเขาน้อยใจไม่ใช่มีแต่พวกเราฟังเทศนะอาจจะมีพวกเทพมาฟังด้วยก็ได้แม้ให้แต่คนโน้นให้แต่คนนี้ไม่ให้เราอาจารย์ครับยังเวลาสวดมนต์เนี่ยนะครับส่วนที่มันออกมาเองเนี่ยที่เราจำแล้วมันออกมาเองนี่มันเป็นสัญญาหรือเป็นเป็นสังขารเป็นการคิดครับหรือประก อ, อบกันคือสัญญามันเป็นตัวจานะมันจำไม่ได้บางทีมสวดอะไรไปไม่รู้เลย เป็นส่วนอัตโนมัตินะเพราะั้นส่วนด้วยไขยสันหลังแล้ว <นะ S 2> เป็นสัญญาใช่ไหมตัวนี้ใช่ใชไหมครับใช่ขอบคุณครับฌานไม่ได้ไปปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรนั่นไปงานบัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้ลูกขอความเมตตาให้กับลูกชายนะคะคือเมื่อปีที่แล้วที่ให้หลวงพ่อดูแล้วครั้งหนึ่งที่ว่าเขาติดสงบอยู่ข้างในในตัวแล้วก็อยู่ในโลกของตัวเองแล้วหลวงพ่อเมตตาว่าให้แนะนําว่าให้ออกมาอยู่กับรูกายมากๆนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือว่าออพักหลังนี่เขาจะเบื่อโลกมากแล้วก็ออมองกระทั่งเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีทไรขึ้นมาทุกทีมันจะพูดด้วยความที่ว่าคับแค้นใจแล้วก็มีโทสะเยอะมากแล้วก็ดูทุกคนว่าบอกว่าอยากอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าในโลกนี้มีแต่สิ่งสกปกอย่างเนี้ยอย่างนี้เริ่มดูต่อได้แล้ ว, ลวะนะคะ คือถ้าไม่ไปติดค้างเฉยว่างๆอยู่ข้างในนะออกมากระทบโลกแล้วแล้วไม่ชอบโลกแล้วค่ะคือเป็นปัญหาเหรอคะคือคือกุ้มใจมากเพราะว่าให้ดูเอออย่าเพิ่งกลุ้มฟังไว้ไปต่อให้ลูกนะคให้ลูกดูความไม่ชอบใจคให้ดูโทสะที่เกิดขึ้นบอกลูกสิว่าดูของอื่นสกปรกหมดแล้วเห็นไหมโทสะเนี้ยสกปรกอยู่ข้างในเลยให้ดูเข้ามาที่ตัวเองนี่นะถ้าดูเขาจะดูตัวนี้ออกแล้วอ๋อแล้วคะ ถ้าดูตัวนี้ได้เขาก็จะภาวนาต่อไปได้แล้วคือปกติจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยก็เลยมีข้อจำกัดเวลาให้ฟังซีดีของหลวพแล้วก็คือวันก่อนก็เพิ่งพาไปต้องซื้อของนะคะไปไอทีมอลแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมีของเสียงก็ไม่ค่อยดังแต่ว่าก็จึงุดแบบว่าอึดอัดมากแล้วทนไม่ได้บอกว่าต้องรีบออกพวกพวกที่ติดสงบอยู่ข้างในจะกระทบโลกอย่างนั้นไม่ได้กระทบแล้วจะทรมานมาก นี้ให้เขาเขาออกมาได้บ้างแล้วเนี่ยโทสะเกิดขึ้นถ้าอยู่ข้างในไม่มีโทสะนะอยู่เงียบคนเดียวนี้พอออกมากระทบแล้วโทสะเกิดเให้เขาดูที่โทสานี่เลยเดูใจที่หงุดหงิดอนะบอกเนี่เป็นความสงบปลวกภายในนะ อ, อส่วนช่วเนี้สงบปลวกภายนอก อ, อให้ดูอย่างนี้คือแม้กระทั่งครอบครัวตัวเองบอกว่าเห็นคนขออยู่คนเดียวเงียบ อยู่ป่าก็ได้แต่หมายถึงว่าถ้าออกมาข้างนอกแม้แต่ในครอบครัวพ่อแม่ทั้งหลายทุกคนก็สกปรกตัวเองก็สกปรกจนทนไม่ได้ให้ดูที่ใจตัวเองไม่ต้องดูที่อื่นหรอกแล้วก็ถ้าใจเขาไม่ชอบตัวเองนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเองนะจนกระทั่งใจเป็นกลางกับตัวเองด้วยแสดงว่าสภาวะตอนนี้ที่มีอยู่เป็นโทสะเป็นโทสะให้ดูโทสะว่ามีกับไม่มีเให้ดูโทสะของตัวเองไป ถ้าเขาดูโทสะตัวเองได้บางทีเขาจะยิ่งเกลียดตัวเองก็ได้น ะ, <ฮ>ะให้ดูเข้าไปอีกว่าเนี่ยมันเกลียดตัวเองแล้วเหมือนเหมือนพฤติการเหมือนจะแบบว่าเป็นทางทางก้าวลาวเหมือนถึงว่ามันเวลาโทสะขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เลยพวกติดสงบมากอะออกมากระทบโลกข้างนอกแล้วโลกจะระเบิดเอาก็ก็ทำต้องทําความสงบอีกหรือคะเปล่าเ <laughs> ให้ดูโทสะย่างเดียวเลยคะ่ะดูไป <laughs> บ่อยๆ <laughs> แล้วก็คอยระวังดูโทสะเนี่ยบางช่วงมันจะเกลียดตัวเองนะระวังเรื่องจะไปฆ่าตัวตายแล้วระวังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เขาดูโทสาของเขาพอเขารู้ทันแนละ้วถ้าเขาเกลียดตัวเองก็ต้องบอกเขาว่าไม่ต้องเกลียดตัวเองหรอกดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็หายอนะวันหนึ่งจะได้สะอาดนะได้ค่ะครยระวังตัวนี้หลยท่านมัสการครับอในการพนาวนา ในชีวิตประจําวันนะครับก็เห็นกิเลสก็มันเหมือนกับเป็นจิตที่เหมือนกับครี่ไพ่ครับมันปึ๊บเลกไปนะครับแล้วก็บางทีก็เห็นว่าในกิเลสแ ต, ต่ละตัวเนี่ยมันซ่อนอะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่ผมก็คือเห็นเสร็จแล้ว ก, ก็มันก็ดับไปนะครับแต่บางอย่างเนี่ยมันก็แรงมากเราก็ดับไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปนะครับอยากจะเรียนถามว่าที่ผมทํามาเนี่ยนะครับ มีความอพอ พ, อพแค่ไห น, น, ม, นมันยังไม่ธรรมชาตินะมันมยังไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวดูออกไหมมันจงใจอยู่นะนดูให้สบายๆดูมันดูคนอื่นดูอย่างมีความสุขดูอย่างสดชื่นเห็นกิเลสเกิดด้วยใจที่สดชื่นอย่างนี้ดูสบายๆแล้วก็ให้ใจมันถึงฐานจริงๆหายใจ เอาความรู้สึกตัวเข้ามาซิหายใจให้ความรู้สึกตัวกลับเข้ามาไรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันนะอย่างที่ปกติจิตจะไปอยู่ข้างนอกนะถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เดินปัญญา จ, จริงมันไม่ถึงฐานของมันหลวงพ่อเคยเป็นแล้วหลวงตามหาบัวแก้ให้เนี้บอกมันไม่ถึงจิตแล้วนะนันหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกสบายๆนะรู้สึกไหมมันกลับข้างกัน ไม่ง um mm. er ั้นใจเราไปอยู่ข้างนอกตัวนั้นแหละที่ผิดอยู่แต่ตรงที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้อยู่แบบบังคับนะอยู่สบายๆแต่ว่าไม่ให้ร่อนออกไปงว่างๆออกไข้างนอกไปไปปรับตรงจิตนี่แหละปรับบคุณทุกคก็ฟังสีทธิหลงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ดีขึ้นนะคะตัวเองรู้สึกเลยเมื่อก่อนแบบเป็นคนไม่ดีว่าแบบเหมือน ที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โกรธเออดี ด, อดีที่รู้ไงอเดี๋ยวนี้ก็ดีพอเรารู้ทันนะเราก็เปลี่ยนตัวเองได้ ช, ชีวิตเราก็เบาขึ้น<ช>สบายขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เห็นก็ได้เข้าไปไปขุกกับมันนี้ะก็เห็นแต่ทีนี้มันทีว่าเหมือนบางทีชอบไปว่างๆหรือว่าหลงไปอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่เอา<ช>เวลาใจหลงไปอยู่ว่างๆแนละ้วมาดูร่างกายไหม ดูกระดูกดูอะไรอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยเร่อยนะอยาให้ใจไปติดว่างเดี๋ยวบางทีก็ดูร่างกายเดินแบบประจำวันอย่างเงี้ยเช้าตื่นขึ้นมาก็จะแต่เวลาดูลากายเดินนี้ไม่ให้ดูด้วยใจที่ทื่อๆนะ <c oughs> ใช่ดูเห็นร่างกาย <c oughs> ใจมันทื่อๆไป <c oughs> นดูด้วยใจที่เป็นธรรมชาติกับพร่บกระเปล่า <c oughs> หายใจสิใหใจเรารู้สึก เมื่อกี้มันหลงไปในความคิดดูออกไหมใช่ชอบหลงไปแวบไปเออนั่นแหละมันห <ะ S 1> <นะ S 2> ลงะหายใจเรารู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปเรื่อยหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้นะล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปมิฉั้นจะหลงไปอยู่ในความคิดไปคร่ําครวนไปอะไรใช่ใช่คือกําลังไม่พ อ, อเป็นนิสัยเป็นนิสัยนิสัยมาจากขี้อ่อนมันจะไปลำพึงลำพันอนะไรก็มันที่แบบ ผ่านเรื่องผ่านมาตั้งนานแล้วเรื่องเศร้าออหรือเรื่<ผ>อกขย่าไปล ำ, ลำพึงลําพันอยู่ธ์ใช่ไหมผ่านมาเกือบสิบปีเราก็ยังลําพึงลําพันธ์ต้องต้องปรับนะให้ใจมันเข้มแข็งกว่านี้เวลามันไหลจะเป็นลำพึงลําพันธ์ให้รู้ทันมันอย่าไปปล่อยมันงั้นเราจะปล่อยไปเรลยนะอย่างนี้ไม่ได้เลยก็คืออ้าวตอบไป ครับยังม่ใช่การหลงพ่อค่ะมากราบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะก็ดูตัวบ้างหลงบ้างค่ะโดยเฉพาะตอนทำงานตอนทำงา น, น, นถ้าใช้ความคิดมันดูไม่ได้แต่ถ้าทำงานที่ใช้ร่างกายเนี่ยดูได้สบายอย่าไปทำกรรมฐานชนิดน้อมจิตให้นิ่งติดตัวนี้อยู่เลิกซะมาทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกดีกว่า เล่นไหวธรรมดานี่ยแหละเล่นกีฬาอะไรบ้างล่งะเออก็วิ่งวิ่งด้วยค่ะเออวิ่งแล้วก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะตีแบดแล้วก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าให้ใจมันนิ่งว่าง ถ้าจิตมันติดนิ่งอยู่งั้นนะถ้าติดมากเลยนะต่อไปจะเหมือนลูกของหยกเนี้ยออกมากระทบอะไรไม่ได้เลยเพราะคล้ายๆอยู่ในห้องปลอดเชื้อมาตลอดใช่ค่ะพอออกมาก็ไม่มีภูมิเลยไม่มีอะติดเชื้อตายเลยตัวนั้นกระทบอะไร น, นิดนึงไม่ได้ลจะระเบิดเพราะงั้นออกมาอยู่ครัง้งคราวนี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปให้ใจมัรู้สึกชัดๆ ไม่ให้มันล่องลอยว่างๆอยู่นะไปฝึกตัวนี้กาบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวโกรธ่ะค่ะก็ไปดูตัวโกรธเขาก็โกรธขึ้นมานะค่ะแล้วก็เขาก็หายไปก็บังคับไม่ได้อ่ะคะ่ะหนูภาอนานดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกปังรู้สึกค่ะใช้ได้เห็นไหมเราขี้โกรธอ่ะเราก็ดูโกรธสิพระเจ้าสอนอย่างนี้ให้แม้เราทําตามที่ท่านสอนเราก็พัฒนาถ้าเราดื้อเรา ไม่เอหนูไม่อยากดูโกรธหนูจะดูความสงบหนูให้สงบมันจะไปดูได้ไงใช่ไหมเราก็ดูตัวที่เรามีเมื่อเราดูด้วยใจที่กล้าหาญนี้ใจมันพัฒนาเร็วใช้ได้ขอกันด้านค่ะดูไปอีกยังไม่หายโกรธ ด, ดีหรอ <c oughs> <c oughs> มีให้ดูเรื่อยๆนะแต่มันจะค่อยแปรนิ่งขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็นหงุดหญงิดหงุดหงิดก็รู้เราไม่ได้ภาวนะนาเพื่อไม่ให้โกรธนะไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้หงุดหงิดแต่ภาวนาเพื่อจะเห็นว่า มันเป็นเองดูออกไหม เ, เราจะดูอนัตตาเอาหนนะูอันนี้จังทุกขังเอาไม่ลงให้ดูอนัตตาไว้ดูว่ามันเป็นเองลำนันทศ ก, การลงก็ไม่ได้มาส่งกันบ้านสองสามปี แล้วก็ในสองสามปีนี้ก็เลยรู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้เนี่ยมันจริงทั้งนั้นจริงสิตงแต่ก่อนเปนตื้อค่ะหรือเ <laughs> นี่ยคนนี้เป็นคนพิมพ์หนังสือนะทำหนังสือให้หลวงพ่อมาตลอดเลยหน่าสำนักพิมพ์ธรรมดาธรรมดา <laughs> ก็มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีความโกรธมันระเบิดขึ้นทาให้เรา ระบบมันมันระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนล้มไปคิดว่าเราจะเป็นอสูรร้ายได้ประมาณนี้ <laughs> ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่นะขนาดเรานั่งนั่งทำหนังสือธรรมะอยู่เนี่ยกิเลส ข, ขี่คอเราไม่รู้ตัวแล้วมันหัวล้อห้าห้าเราพานาให้ถูกสิกิเลสสู้เราไม่ได้หรอกก็แสดงว่าแสดงว่าเราถอยถอยไปเยอะเลยค่ะ <laughs> ถอยไปเยอะก็เลยต้องต้องให้ลูกพาตัวเองไปเข้า สำนักปฏิบัติก็คือบ้าไปแล้วอะไรประมาณนี้คือถ้าถ้าโดยคนข้างนอกก็อาจจะว่าบ้าไปแล้วอะไรน่ะช่วงภาวะนั้นนะคะก็ไปอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าจริงๆธรรมะมันอยู่ที่การปฏิบัติอถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายพยายามคิดค้นคว้าใช่ตัวนั้นมันไม่เอาเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่สิบปีแล้วมันก็ยังไม่ใช่ แล้วก็เรื่องแบบออกน อ, อกชอบไปหาเทคนิควิธีการอย่างรู้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นคนออืมย่าหา<ด>หร<น>ู้มากยากนานหลวงพ่ อ, ถ, พอถึงบอกอ <ๆ S 2> ด้วยว่าไม่ต้องไปค้นคว้าหรอกพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราไม่ใช่ภูมิที่จะไปคิดวิธีวิปัสสนาแบบใหม่อะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคิดสมถานี่ก็ได้นะสมถานเป็นสาธารณะแต่วิปัสสนามันมีเฉพาะของพระพุทธเจ้า นี่เร า, าไปคิดวิชาวิปัสนาแบบใหม่เนี่ยเพี้ยนแน่นอนรู้ซื่อแบบเสื้อนั่นแหละดีคหลวงพ่อบอกไว้ตั้งแต่เมื่อที่แล้วว่ารู้ซื่ อ, อ, อแต่เป็นคนไม่ซื่อฮะมันก็ <c oughs> <c oughs> อ้อมโลกไปไกลมันเรียนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะ่ะไม่มีอะไรหรอกรู้ความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกเนี่ยไม่หลอกเราความรู้สึกมันไม่หลอกเราเหรอกมันจะเกิดมันก็เกิด มันจะไปมันก็ไปสั่งมันไม่ได้งั้นได้ที่คําว่ารู้ซื่อๆเนี่ยรู้ความรู้สึกไป ค, ความรู้สึกไม่หลอกลวงเรา ค, ความคิดหลอกลวงเราอา<ช>จารย์น่ะคิดมากไปว่าทำยังไงทายัางไงมันมีคำว่าทำเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเมื่อเราเข้าถึง ได้ระดับหนึ่งเราจะรู้สึกว่าธรรมะมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆคืออันนี้มันรู้สึกด้วยใจมันจะไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่พูดได้บอกคนอื่นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นธรรมะนะเราฝึกแรกๆเรารู้สึกธรรมะเป็นธรรมชาติใช่ไหมเ ร, เราฝึกมากเข้ามากเข้าเราเพราะว่าธรรมะก็เป็นธรรมะธรรมชาติก็อยู่ส่วนหนึ่งน ะ, ะธรรมชาติชาติคือความเกิดอ ธรรมะยังมีสองส่วนธรรมะที่เกิดที่ดับธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับนะงั้นจะบอกว่าธรรมะเป็นธรรมชาติมันจะไม่ครอบคลุมธรรมะกว้างกว่านั้นมีทั้งสังคตะอสังคตะนี่การดำรงชีวิตเนี่ยเราอยู่ในโลกของสมมุติบัญญตัติเราก็คล้อยตามสมมุติบัญญตัติแต่เรารู้ทันมันรู้อย่างที่มันเป็นรู้สภาวะของเราไปรู้ซื่อ สภาวะที่ซื่อตรงเลยคือความรู้สึกทั้งหลายไม่หลอกลวงเราเราดูสภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาาลังเป็นอยู่แล้วเขาจะสอนธรรมะสอนใจลักเราเนี่ยการเรียนธรรมะเรียนตรงนี้ไม่ได้ค้นคว้าอะไรมากมายนะวันหนึ่งจะเข้าใจธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาตินะหล <c oughs> ับพอบพระคุณของพวก นี่ก็ดื้หมายเลขหนึ่งเหมือนกันเละระดับรู้จักหังพ่อมาตั้งโอ้ยนานมากเลยนะทำหนังสือให้มาตั้งแต่เล่มแรกเลยกนะ็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคาถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องประจัยษ์ไตยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโช ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเกือประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นการละนานเถิดยถ า, าวาริวหาปุราภริปุเรนตีสาครังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตูสังกปา จันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพีตโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปจจายโนจตตาโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพะลังสาธุ ทำนะ้าทำถูกแล้วก็ได้ผลเอาเอง